ดูความหมายแปลความหมาย أ, ดาวอาทิตย์หมายถึงอะไรเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับอาทิตที่เกี่ยวกับรูปภัณฑ์สันฐานหรืออวัยวะท่านลองจำตัวนี้ให้ได้ก่อนให้คล่องให้นึกขึ้นมาปุ๊บแล้วก um ็รู้เน okay. ี่ยความหมายของดาวแต่ละดาวมันมีความหมายอะไรนี่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกก็คือดาวดาวจันไอดาวอาทิตยดาวอังดาวจันทรดาวอางาังคารดาวพุธดาวฤหัสศุกรเสาร์อาทิตย์แล้วก็ราหูต่อไปแล้วก็จำจำสัตสัตจัตเกณฑอจำสัตเกณเลขความหมายของสัตเกณฑคือหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์อ่าอาทิตย์จันทร์อังคารพุธฤหัสศุกร์เสาร์ อดาวเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งน่ะไอ้จะแทนตัวตำแหน่งที่เป็นวันยังไงยังไงจะแตกต่างจะแตกต่างทางธุรยคติเพราะของเราเป็นกันทรคติติอ่าจะแตกต่างเขาเราต้องจาเอาไว้หกสองห้าหนึ่งสี่เจ็ดสามนั่นเองความหมายของของสถิติเนี่ยเห็ดสามครับต่อไปแล้วเสร็จแล้วทีนี้ท่านจําตัวนี้สองตัวได้แล้วตอนนี้ท่านจําภูมิเพราะผมจะมาภูมิเลยนะ มันมันจะมีกลางวัน <c oughs> และกลางคืนคือคือภูมิวันภูมิคืนภ <c oughs> ูมิวันภูมิวันก็คือหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปดเวียนขวา <c oughs> กลางวันนี่ <c oughs> เริ่มตั้งแต่เวลาเทเล น, นอย่าง <c oughs> กลางวันก็คือหกโมงเช้าจน <c oughs> ถึง หนึ่หกค สองเจ็ดห้าสามแปนี่คือภูมิวันนี่คือคืนวัน <c oughs> ส่วนภูมิคืน <c oughs> ท่านจะต้องรู้อีกทีหนึ่งคือภูมิคืนภูมิคืนเทคนิคเวลาเวลาจํากันให้ง่ายเหมือนเก้าช่องพอด <c oughs> แีแต่จะสลับแตจะสลับตําแหน่งเพราะภูมิคืนก็สลับตาแหน่งอยู่ที่ตัวนตกแล <c oughs> ้วเวลาทิศอ่าเวลาท่านจะจำํจำจําเทคนิคจาง่ายๆตามที่ผมจําำนะคื อ, อคือจะแบ่งช่องก่อนสี่ช่องต้องจําให้ได้ก่อน <c oughs> อ่าทีต่ตะวันตกขึ้น น, นี่ก็คือสองนี่ก็คือสามนี่ก็คือสี่จำแบ่งช่องตรงนี้ให้ได้ก่อนขั้นขั้นจําเรื่องนี้เน ะ, ะมันมันจะแตกต่างกับเขาตอนกลางคืนจะแตกต่างกับกลางวันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าเกิดกลางวันนี่ให้ ไม่ใช่เป็นเลขเก้านวะ <c oughs> อ่าต่อไปปุ๊บจาได้แล้วข <c oughs> ออย่างเนี้ยหรือจะเอารวบรัดเลยเอาไปคันๆเลยเอาแบบผันผ่า <c oughs> นไ <c oughs> ว้ก่อนเสร็จแล้วภูมิวันภูมิคืนภูมิวันภูมิคืนเสร็จแล้วจะนี่เรื่องเสาเลยเนอะ่ยภ <c oughs> ูมิวันภูมิคืนเวลานับมันมีข้างขึ้นข้างแรง <c oughs> มันมีข้างขึ้นข้างเลยใช่ไหมอ่าท่านรู้ความหมายหนึ่ง รู้แล้วความหมายของดาวดาวตดแต่ละดาวคืออะไรา ด, ดาว ด, ดาวความหมายของตแต่ละดาวคืออะไรเสร็จแล้วท่านมาจำไ<ม>อ้ตัวอประจําประจําวันสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันแต่สัปดาห์เนี้ยของรอเราเนี่ยจะแตกต่างทางทางทาตุลยคติพราะเราเป็นจันทรคติคือหกสองห้าหนึ่งสี่เจ็ดสามประจรําประจําวันนี่ดาวดาวตัวนี้ประจําวันของแต่ละวัน จะไม่เป็นหกหกสองห้าหนึ่งสี่เจ็ดสามท่านท่านคือต้องท่องตัวนี้ให้ได้แล้วก็ท่องตัวนี้ให้จําให้ได้คือความหมายของดาวในท่องให้ได้แล้วเสร็จแล้วท่านมาจําอ่าดาวประจําวันในหนึ่งสัปดาห์มีเลขอะไรประจําวันคือหกสองห้าหนึ่งสี่เจ็ดสามมันจะลงตัวอันนี้ก็ใช้ความหมายนี้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดเราคือแต่เสร็จแล้วเสร็จแล้วท่านี้ก็ไปดูภูมิดูไล่ไปภูมิเลย ภูมิจะมีคือภูมิวันภูมิคืนนะภูมิวันภูมิคืนเทคนิคก็คือดู ข้างขึ้นข้างแหลมนับแบบไหนนะข้างขึ้นข้างแหลมข้างขึ้นข้างแหลมตอนนี้ท่านจำพอจะจำได้แล้วใช่ไหมอตอนนี้มาดูภูมิเวลาภูมิที่ท่านจับปุ๊บเนี่ยท่านจำภูมิได้แล้วหนึ่งหกสองหนึ่งหกสี่สองเนี่ยตอนนี้มาดูข้างขึ้นข้างแหลมเพราะดาวจันทของเราเออทางทางของเราคือจันทรคตินะครับ <c oughs> ตอนเนี้ย นับแรมนับหรือนับแรมเนี่ยมันจะแตกต่างกลายเป็นสี่ช่องกลายกลายเป็นสี่แบบข้างขึ้นมีมีภูมิวันหนึ่งช่ไหมมันจำตรงนี้กัได้มีภูมิวันหนึ่งข้างขึ้นนะแล้วมีภูมิคืนอีกหนึ่งใช่ไหมก็ต้องกลายเป็นสองเลยใช่ไหมสองเป็นสองข้างแรมข้างแรมก็มีภูมิวันหนึ่งมีภูมิคืนหนึ่งเป็นสองวิธีนับกันยังไงข้างอ่าให้ดูข้างแรมก่อน คุได้จำกันง่ายๆข้างข้างแรลมก็นับเวียนขว า, ขาแหล ม, มนับเวียนขวาแลมนับเวียนขวานับเวียนขวาก็หนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปดตลอดจะตกแรลมกี่ขําสมมุติจะตกแรลมเจ็ดข้ามวันนี้เจ็ดข้ามเจ็ดข้านับเวียนขวาหนึ่งสอง ขึ้นท นเ<ลอ>นี่ยคือข้างแรง จ, จำพยายามจำตรนีน้เลนี่คือข้างขึ้นข้างขึ้นก็เหมือนกันภูมิวันจะเหมือนกันคืนหนึ่งหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปดและคูมคืนก็จะเหมือนกันภูมิคืนข้างขึ้นก็จะเหมือนกันคืนหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดท่านลองจำภูมวันภูมิคืนนี้ให้เข้าคูมมา ขึ้นจะนับย้อนกลับ า, าอ่อกลับไม่อยู่ตรงไหนตรงไหนเหมือนกันผมพูดว่าเจ็ดข้ามวันนี้แต่เป็นข้างขึ้นข้างขึ้นเจ็ดข้ามก็ต้องนับนับย้อนนะนับย้อนหนึ่งทวนหรือตามเข็มอ่าทวนท ว, ว, วนเข็ม เห็นเหมือนกันเจ็ดค่ำเจ็ดค่ำก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดูถึงจะเหมือนกันนะไม่แตกต่างเอาตกที่ตำแหน่งที่คือดาวพุธแต่แตกต่างแตกต่างคือภูมิเท่านั้นเองท่านท่านอย่าพ่งอย่าพ่งงงเท่านั้นเองที่ใต้ไอตัวนี้เนี่ยที่จะทำให้ช้าที่ที่จะขับผม ท่านพยายามแตกให้ได้ก่อนไอ้ตรงนี้อเดี๋ยวเอาภูมิก่อนนะเดี๋ยวจะไล่ภูมิทวนให้อีกทีนะภูมิภูมิของเราเนี่ยมันจะมีภูมิวันและภูมิคืนภูมิคืนภูมิวันภูมิวันก็จะมีมีเรียงมาให้จําคือทิั้งนิ้วของเราพอตั้งออกมาปุ๊บว่าภูมิเราจะแบ่งออกมาเป็นเก้าช่องทั้งหมดภูมิวันภูมิวันหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปดภูมิคืนภูมิคืน เวลาจะให้ไวก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะสลับกันก็คือหนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่แปดแต่เวลาเวลาเราจะจำให้ไหวปุ๊บเนี่ยจำสับตรงนี้เลยมันจะไหวขึ้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสีของเราเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้หมันไหวแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใส่ ใ, ใส่ที่เหลือเพราะแบ่งเป็นสี่ช่องสี่ช่องแล้วนี่คือภูมิวันภูมิคืนะนับที่นิ้วเราท่านจำตรงนี้ ไม่แตกต่างคือภูมิวันภูมิคืนแต่แตกต่างข้างขึ้นข้างแรงเวลานับเวลาทนก็คือก็คือว่าท่านไม่ต้องไปสับต้นอะไรมากก็มีอ่าข้างแรงตามเข็มข้างขึ้นทนเข็มแล้วก็มีภูมิวันภูมิคืนเท่านั้นเองเอาต่อป่ะจำไม่ได้าจำภูมิวันภูมิคืนเนาะหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปดแล้วก็ภูมิคืน บุมนี่แทบจะตั้งเสาแล้วแนๆ่ๆอาจารย์ จะให้เป็นผู้ธาตุเนี่ยเป็นธาตุหนเป็นธาตุไฟ ความหมายเกี่ยวกับอะไรบ้างหนึ่งความหมายเกี่ยวกับอะไรสองความหมายเกี่ยวกับอะไรแล้วก็คู่ท่าหนึ่งความหมายเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเขาไหวอาทิตย์เดียวเขานด้ครับรู้รู้รูไม่ต้องไปท่องก็ได้อ่านอ่านเรื่องเรื่อรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นครับแกก็ลงครับเนี่ยต่อไปปุ๊บต่อไปปุ๊บประจําได้ของสัตเกณฑ์ประจําได้ของสัตเกณฑ์ของเรา 6 6 2 5 1 4 7 3ครับออประจําวันครับของเราเนี่ยพยายามคือว่าของเราเนี่ยทําเป็นโหนจันทรคติไม่ใช่สุริยะคติสุริยะก็คติของเขาอาทิตย์หนึ่งจันทร์องอะไร <c oughs> เขาว่าเขาเรียง <c oughs> ตามลําดับ <c oughs> ตามหมายเลขของเขาแต่ของเราฮเราเนี่ยจําให้เสืใจเป็นโหนทางจันทรคติแต่จะแตกต่างออกเขาไอตัวนี้คือ6 2 5 1 4 7 3ท่านต้องจําตัวนี้ให้ได้คือจะไม่เหมือนเขาจะไม่เหมือนเขา <c oughs> หกสองห้าหนึ่งสี่เจ็ดสามการนท้องให้ขึ้ื่อนใจเสร็จแล้วก็มาไล่ภูมิภูมิเนี่ยจะมีสองภูมิคือภูมิวันภูมิคืนจะทํำยังไงจะนับยังไงแต่ละทิศนี่ครับคือทิศ อ, อ, อทีต่ตะวันออกก็คือนหนึ่งแต่ถ้าเกิดพอตอนกลางคืนฟุบฟ้าทิศตกอยู่ทางที่ตะวันตกท่นั้องจำเนี่คืนนี่นี่คือภูมิวันภูมิคืนภูมิวันภูมิวันตั้งแต่หกนาฬิกาถึงแปดนากาท่านต้องจำให้ได้ตัวนี้ยคือว่า มุมคืนปุ๊บนับตั้งแต่ติ คือห เวลาการนับตามเข็มนกากับทวนเข็มแลมตามขึ้นทวนเท่า น, นั้นเองท่านก็จําแค่สี่ข้อภูมิวันภูมิคืนแลแมตามทวนเข็มเท่า น, นั้นเองเอาแค่นี้ทวนเข็มครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ย ว, วท่านก็รู้ตําแหน่งเพราะว่าอ๋น อ, อนี่คืออาทิตย์นี่คือสุกนี่คือ <c oughs> เดี๋ท่านเห็นใ ไ, ไหมว่าแล้วก็ดู Thank <laughs> you.